ปัตตนจักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทธคุณบทว่าโลกวิทูที่แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกนั้นยังมีนิยะที่ควรศึกษาและพินิษฐพิจารณาหลายประเด็นด้วยกัน เด็นแรกคือทรงชี้สภาวะแห่งสัตว์โลกโทรงรู้แจ้งภาวะแห่งสัตว์โลกเหล่านั้นตามความเป็นจริงโดยพบที่สัตว์โลกเหล่านั้นอุบัติบั้งโดยกําเนิดคือการเกิดมาของสัตว์โลกเหล่านั้นบ้างและโดยนัยยะหนึ่งนั้นได้แสดงถึงสภาวะตามธรรมชาติของสัตว์โลก ไว้สีประการด้วยกันประการแรกโลกคือหมู่สัตว์อัญชารานำไปใกล้ไม่ยั่งยืนซึ่งเป็นสภาวะอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ได้อุวัติบังเกิดมาแล้วในโลกก็ชื่อว่าเป็นการเดินทางเข้าไปสู่ความแก่และความตายโดยลำดับในข้อนี้ บางคราวทรงแสดงเป็นรูปของธรรมะปริยายเปรียบการเดินทางของโคที่ไปสู่สถานที่ที่เรียกว่าโคจอนคือที่หากิณทุกจ้างก้าวที่โคเดินไปนั้นก็ทาให้ใกล้ที่โคจอนเข้าไปฉันได้สราได้ขับต้อนชีวิตสัตว์ทั้งหลาย ให้เข้าใกล้มัจจุคือความตายเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติตามสภาวะแห่งสัตว์โลกแม้พระพุทธเจ้าเองโดยรู ป, ปรกายก็ยังถูกความชราคร่าคร่าเคาะครกงำเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อไม่อยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้เฉพาะในส่วนปัจจุบัน จึงทรงสอนธรรมะเป็ น, น, นเอเนกเกปรยายที่จะให้บุคคลได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตเหล่านี้ประการแรกคือการยอมรับว่าความชราคือความแก่นั้นเป็นเรื่องธรรมดาประการหนึ่งซึ่งทุกชีวิตจะต้องได้ประสบกพบเผ็ดไม่ว่าจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตาม และยังได้เน้นนะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วจากจุดปฏิสนธิของคนเรานันต่อแต่นั้นก็เดินเข้าสู่ความแก่มาโดยลำดับแต่ว่าแก่ในช่วงต้นเป็นกลางเป็นความแก่ที่ปกปิดไว้เป็นที่ต้องการปรารถนาของคนทั่วไปจึงเรียกกันว่าเจริญวัยแต่ว่าแก่ในช่วงหลังนั้น เป็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่พึงปรารถนาของบุคคลทั้งหลายด้วยความแก่ปรากฏออกมาเด่นชัดคนจึงมักกว่าเรียกคนจึงมักเรียกตรงนี้ว่าเป็นคนแก่หรือเป็นความแก่ซึ่งแท้ที่จริงแล้วความแก่นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วดังนั้นก็ทรงสอนให้ควรพยายามปรับจิตให้ยอมรับความจริงอย่างที่สวดกันชั้นหนึ่ง อีกชั้นหนึ่งเพื่อให้รู้เอาไว้ว่าจากจุดเกิดถึงจุดดับนั่นเองเป็นเรื่องที่ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกําหนดหมายว่าชีวิตของคนจะแตกดับลงเมื่อไหร่ชีวิตที่เกิดมาจึงเหมือนกระยู่ในวงล้อมของภูเขาซึ่งกลิ้งบดมาจากทิศ ท, ทั้งสี่ภูเขาใกล้ใครมาก่อนคนนั้นก็ต้องตายก่อน ความตายจึงไม่ได้กําหนดที่อายุเป็นการกําหนดอยู่ที่การสิ้นบุญบ้างสิ้นอายุบ้างเกิดอุบัติเหตุเป็นอุปเฉตกกรรมบ้างหรือความพยายามของบุคคลอื่นบ้างแต่สรุปว่าจากนาทีหน้าเป็นต้นไปเรื่องเกี่ยวกับความตายเป็นนวิชาสำหรับทุกชีวิตคือใครไม่รู้ว่าความตายจะบังเกิดขึ้นแก่ตนเมื่อไรที่ไหนโดยวิธีอย่างไร และได้ส่งชี้ให้เห็นว่าเรื่องของความตายนั้นไม่ว่าคนจะหนีไปอยู่ในส่วนใดภายใต้มหาสมุทรบนอวกาศบนช่องเขาในถ้ำหรือในปราสาทที่มีการป้องกันในราคาดีอย่างไรก็ตามเมื่อความตายมาถึงเข้าทุกชีวิตก็จะต้องตายการที่ทรงสอนเช่นนี้เพื่อต้องการให้บุคคลซึ่งชีวิตยังมีอยู่ ได้พยายามใช้ประโยชน์จากชีวิตซึ่งจะต้องแตกดับเป็นธรรมดานั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยการสอนข้อปฏิบัติมีเรื่องทานเรื่องศีลและการประพฤติปฏิบัติธรรมะโดยประยายต่างๆทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อจะสแสวงหาสาระจากร่างกายจา ก, ก จ, จิตใจ จากร่างกายและจิตใจที่ไม่มีสาระในประการต่อไปนั้นก็เพื่อให้บุคคลไม่มัวเมาประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคของตนดังนั้นความเข้าใจการยอมรับถึงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไปของชีวิตนั้นถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจถึงความจริงแล้ว ก็จะได้ประโยชน์จากความไม่เที่ยงเหล่านี้เป็นอันมากทีเดียวในข้อนี้เมื่อปฏิบัติชั้นสูงขึ้นไปก็จะเข้าสู่หลักของข้อปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคือการพิจารณาเห็นนามรูปตามความเป็นจริงว่าทั้งนามในรูปไม่ว่าจะประณีตสวยงามอย่างไร อยู่ไกลอยู่ใกล้หยาบละเอียดเลวระนิดก็ตามจะมาจุดจะมีจุดร่วมอันเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแรปรเปลีนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดานี่คือจุดที่เหมือนกันของสัตว์ตโลกดังนั้นความยึดติดความกำหนัดที่เคยมีอยู่ในสัตว์และสังขารทั้งหลายก็จะบรนทอประปางลงไป บุคคลจะใช้โอกาสเห่านั้นสร้างสิ่งที่เป็นสาระคือศีลและสาระสมาธิสาระเป็นต้นให้บังเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่หลุดพ้นจากสังสารวัติแต่เมื่อใครประพฤติปฏิบัติได้ก็จะอำนวยประโยชน์ให้ในชั้นของการแต่งพบแต่งชาติให้มีความประณีตจริงๆขึ้นไป ถ้าหากว่าเข้าถึงความจริงอย่างแท้จริงก็ยอมจะช่วยให้บรรลุจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นประการต่อข้อที่สองนั้นตรงสแสดงสภาวะของสัตว์โลกไว้ว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า สิ่งทั้งหลายที่สตัตวโลกไปกำหนดไปยึดถือว่าเป็นของเรากันด้วยประการต่างๆนั้นแท้ที่จริงแล้วคาว่าของเราเป็นความจริงชั้นสมมติเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นความจริงอย่างแท้จริงเช่นมีการสมมติกันว่าทรัพย์สมบัติของเราบ้านเราเรือนเรารถเราเป็นต้นเป็นความจริงชั้นสมมติ แต่ว่าโดยความจริงที่แท้จริงนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นของตนอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลเมื่อบ่นเพ้ออยู่ว่าทรัพย์ของเราบุตรของเราสิ่งอย่างนั้นอย่างนี้เป็นของเราแท้ที่จริงแล้วตัวของเราก็ไม่เป็นของเราบุตรทรัพย์เป็นต้นจะเป็นของเราได้อย่างไรนี่คือความจริงอย่างแท้จริง แต่ว่าในาขณะเดียวกันบุคคลผู้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนั้นจะอยู่ในความจริงส่วนใดก็ตามก็ต้องเข้าถึงความจริงส่วนนั้นโดยท่องแท้ในจุดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะในชั้นของเราให้มีการประพฤติปฏิบัติการถูกต้องตามสมควรแก่ฐานะนั้นนั้น เช่นเมื่อบุคคลมีความรู้สึกว่าแม่ของเราพ่อของเราลูกของเราญาติของเราเป็นต้นก็มีธรรมะอยู่หมดหนึ่งที่แต่ละคนจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สมบทบาทที่ถูกกำหนดว่าเป็นของเราแต่ในขณะเดียวกันก็สอนให้บุคคลเรียนรู้ความจริงในชั้นที่แท้จริงเอาไว้ อย่างน้อยที่สุดก็ให้ปรับใจได้รักษาใจไว้ได้เมื่อของเราเกิดจะไม่เป็นของเราคิดมาเช่นมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามปกติธรรมดาหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปเพราะความไม่เข้า อ, อกเข้าใจกันตลอดาถึงเปลี่ยนแปลงไปเพราะแตกดับของสังขารร่างกายกา็ตางซึ่งในจุดนี้จะไปยึดถือความจริงแบบสมมติอยู่ไม่ได้ ก็ต้องยึดหลักของความจริงอย่างแท้จริงเพื่อจะให้ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นอันเป็นการแสดงเห็นว่าธรรมะทุกระดับชั้นที่ทรงแสดงไว้นั้นประเด็นสำคัญอยู่ที่หลักธรรมานุธรรมปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมให้เหมาะให้ควรแก่ธรรมนั้นๆแก่ฐานะแก่ตาแหน่งแก่โอกาสแก่สมมติแก่ปรมา ผลประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมะก็จะบังเกิดขึ้นธรรมะจึงไม่ได้แขวนไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะหลักของธรรมานุธรรมะปฏิบัติที่กล่าวอยู่เสมอนั้นเนื่องจากเป็นข้อที่ทรงเน้นไว้มากเป็นพิเศษเพราะเหตุว่าบางครั้งบางคราวบุคคลอาจจะมีความรู้สึกว่าเราปฏิบัติธรรมแต่ว่าผิดกาละผิดเทสะ จิตประเภทของธรรมะที่ใช้ในโอกาสนั้นๆก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเมือนการกทำความดีของบุคคลบางคนไม่รู้ว่าความดีคืออะไรและเวลาทำความดีไม่ถูกดีไม่ถึงดีหรือเกินดีแล้วเรียกร้องต้องการผลจากความดีบางทางที่ทาทาั้งสามครั้งไม่ได้ทำความดีเลยเพราะคราแรกก็ไม่ถูกดี คราวที่สองก็ไม่ถึงดีคราวที่สามก็เกินดีไปไม่ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแกระทำแต่บุงคลจะไปเรียกร้องผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําจึงไม่อาจจะเรียกร้องได้เพราะเหตุนั้นโดยแท้จริงแล้วไม่ได้มีอยู่ใดประการที่สามนั้นได้เชเห็นว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่เป็นผู้ไม่มีผู้ป้องกัน ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนนี่เป็นการแสดงถึงสภาวะความจริงของสัตว์โลกอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นความจริงตามสภาพหมายความว่าชีวิตทุกชีวิตจะต้องตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้คือไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนแล้วก็ไม่มีผู้ป้องกัน คำว่าไม่เป็นใหญ่จาเพาะตนนั้นคือสิ่งอะไรก็ตามที่บุคคลมีความต้องการมีความปรารถนาไม่ว่าในส่วนตนเองหรือในส่วนที่เป็นวัตถุภายนอกแต่บุคคลไม่อาจที่จะได้สิ่งเหล่านั้นมาตามที่ต้องการเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆในโลกนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยปัจจัยทั้งที่เป็นภายในและทั้งที่เป็นภายนอก บางครั้งจะต้องอาศัยการสนับสนุนส่งเสริมจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักแต่ทั้งนี้จะต้องมีปัจจัยภายในเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นสื่อให้เกิดผลเหล่านั้นขึ้นมาความเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆหรือการที่จะควบคุมบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปาตามที่ตนต้องการนั้นจึงไม่อาจที่จะบังคับได้ จากจุดนี้เองทำให้คนบางพวกเกิดความสับสนในชีวิตของตนด้วยการพยายามที่จะกะเกณให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ตามที่ตนต้องการเป็นการมองปัญหาทีละเลยข้อเท็จจริงไปเพราะแค่เพราะข้อเท็จจริงแล้วสัตว์โลกนั้นไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนและไม่มีผู้ป้องกัน ไม่มีผู้ประสิทธิ์ประสัดอะไรให้ความประสงค์ของคนบางอย่างจึงสำเร็จได้เพราะเหตุปัจจัยมันสมบูรณ์บางอย่างสำเร็จแต่ไม่เต็มตามเป้าหมายซึ่งแสดงถึงความบกพร่องในด้านเหตุปจัจจัยและบางอย่างก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยซึ่งส่วนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมีมากกว่าในส่วนอื่น เนื่องจากความมุ่งมา่ปรารถนาที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นมากเรื่องมากราวเหลือเกินแต่ว่าที่เต็มตามต้องการนั้นมีน้อยนิดการมองโลกจึงต้องมองในแง่ที่เป็นความจริงอย่างแท้จริงเช่นการจะอบรมสั่งสอนคนพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เริ่มจําแนกคนออกไว้เป็นดอกบัวสี่เหล่าอย่างที่ทราบกัน เพราะอะไรเพราะว่าอานาจการโดนบันดาลจากธรรมะนั้นถ้าไม่มีการน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติผลก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถจะบันดาลคนซึ่งไม่พร้อมที่จะเป็นคนดีหรือไม่พร้อมที่จะทําดีให้เป็นคนดีไปได้แต่เมื่อจาแนกแยกแยกคนออกเป็นดอกบัวสีหลา่าคนเหล่านั้นก็จะได้ประโยชน์ตามสมควรแก่กําลังบา ร, รมีกําลังสติปัญญาของเขาเหล่านั้น ซึ่งแน่นอนบางคนอาจจะบรรลุมรรคผลเป็นพระยาบุคคลไปแต่บุคคลไม่มีคุณสมบัติพอที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นก็ทรงสอนธรรมะในระดับที่ลดดันกันลงมาเพื่อเขาได้รับประโยชน์จากธรรมะไม่ชั้นใดก็ชั้นหนึ่งแต่ในความจริงที่แท้จริงนั้นบุคคลจะต้องเตรียมรับความจริงเอาไว้ว่าตนเองนั้นไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่จาปอตน ความต้องการความปรารถนาอะไรต่างๆจึงต้องนึกไว้สองแง่เสมอคือทั้งด้านที่สมหวังและด้านที่ผิดหวังเพราะอะไรเพราะว่าหลักการปฏิบัติทางจิตที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นไว้ในมหาสติปัฏฐา น, นสูตรนั้นต้องการที่จะบรรเทาสิ่งที่เรียกว่าอภิชาคือความละโมบลโลภอยากได้จนไม่มีความสงบภายในจิต คือความโลภที่ไม่สม่ำเสมออยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้น้นจนวุ่นวายไปกับโทมนัสคือความเสียใจความครับแค้นใจดังนั้นการตั้งความหวังในเรื่องอะไรถ้าบุคคลมุง่งแต่ความสำเร็จทายเดียวโดยไม่ยอมรับถึงความจริงเวลาสำเร็จเข้าจริงๆก็จะเพลิดเพลินใะเริงหลงจนกลายเป็นคนประมาทไปแต่ถ้าเกิดผิดหวังขึ้นมา เนื่องจากไม่เคยเตรียมใจเอาไว้ก่อนก็จะเกิดโทมนัสเสียใจบางครั้งก็ตั้งสติไว้ไม่ได้จนสติวิปลาดไปก็มีการเรียนรู้ความจริงในเรื่องนี้ก็คือการพิจารณาตามหลักของอนัตตาสัญญามอง เ, อเห็นความไม่ใช่ตัวใช่ตนที่มีอยู่ในคนและสัตว์ทั้งหลายนั่นเองมองในแง่ของเหตุปัจจัยยอมรับความจริงทั้งสองด้าน ทางด้านที่สมมติและด้านประมัตนซึ่งข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงฐานะของพระองค์เอาไว้ว่าพระองค์ยอมรับโลกกสมมติคือการสมมติของชาวโลกโลกกับสมัญญาคือการกําหนดหมายของชาวโลกโลกกับภาษาภาษาของชาวโลกโลกกันิรุตภาษาของชาวโลกโลกกับโวหารโวหารของชาวโลกแต่ก็ไม่ยึดไม่ติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้น นี่คือหลักที่มีความสำคัญมากในส่วนสมมติก็ยอมรับในชั้นสมมติแต่อย่ายุดจะติดในสมมติจนเกินไปเพราะเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดมาอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาขึ้นมาก็จะต้องโธมนัดเสียใจและเกิดความผิดหวังขึ้นมาซึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์ในการเสริมสร้างคุณค่าของจิตใจประการที่สาม เป็นสภาวะอย่างหนึ่งของสัตว์โลกเหมือนกันใช้คําว่าโลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตันหาสามข้อข้างต้นนั้นเป็นการแสดงความจริงตามหลักของสามัญยลักษณะคือลักษณะที่เสมอกันของสัตว์และสังขารทั้งหลายซึงเป็นการเชี่ย้เห็นว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ได้เกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นคงมีอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นได้เพียงผู้ค้นพบนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกเท่านั้นพวกนี้ในแง่ของอริยสัจสามข้อนั้นก็เป็นพวกปริญญาตรรมคือธรรมะที่จะต้องกาหนดรู้ถึงความจริงไว้เท่านั้น เราบุคคลไม่อาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนื่องจากเป็นธรรมชาติธรรมดาแม้ในข้อที่สี่ที่เราบอกว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ในส่วนนี้โดยความเป็นจริงแล้วตัณหานั้นมีเชื้ออยู่ภายในจิตที่เรียกว่าตัณหาเป็นมูลในปัจจุบันนั้นก็จริงอยู่ แต่ว่าโดยหลักของการปฏิบัติแล้วบุคคลสามารถที่จะควบคุมกระแสะแห่งตันหาได้คือไม่เพิ่มปริมาณของตันหาให้สูงขึ้นภายในจิตตันหามักจะเกิดในอารมณ์ทั้งหลายและจะเกิดอยู่ใน6อารมณ์เท่านั้นเองคือเกิดในรูปเกิดในเสียงเกิดในกลิ่นเกิดในรสเกิดในเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ตนได้สัมผัสและเกิดในอารมณ์ แต่ถ้ามองให้ซึ้งลงไปอีกทีหนึ่งจะพบว่าเกิดในห้าอารมณ์เท่านั้นเองคือเกิดในรูปในเสียงในกลิ่นในผพผาส่วนที่เรียกว่าธรรมะตันหาคือความทะเยอทยานอยากในธรรมารมหรืออารมณ์ต่างๆนั้นเป็นความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผพผาที่จิตได้เก็บไปนั่นเองแล้วนำมาตรึกนึก ด้วยใจที่กำหนดหมายว่าสิ่งนั้นน่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจก็บังคับใจดิ้นรนทเยอทยานอยากไปในอารมณ์เหล่านั้นพระพุะาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะในลักษณะบันเทาตัญหาเอาไว้ทุกชั้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่ตกเป็นพาดของตัญหานั้นจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองตลอด ไม่มีความอิสระได้อาจจะทําบาปทํากรรมทํำอกุศลด้วยประการต่างๆหากว่าปริมาณของตัณหามากหลักธรรมที่ทรงแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพินิจพิจารณาถึงปัจจัยสี่ที่คนจะต้องเกี่ยวข้องจะต้องบริโภคโดยพิจารณาให้เห็นถึงคุณค่าวัตถุประสงค์และการสําเร็จประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคปัจจัยสี่เหล่านั้น ก็เป็นคำสอนในชั้นของการบรรเทาตันหาคือไม่ตามใจปากจนเกินไปไม่ตามใจประสาทสัมผัสของตนจนเกินไปในชั้นของศีลที่ทรงบัญญัติแสดงไว้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการบรรเทาตัญหาที่บังเกิดขึ้นเช่นความทะเยอทะยานอยากในทรัพย์ของบุคคลอื่นก็ควบคุมเอาไว้ ยังมีความอยากในทรัพย์ได้แต่ต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามด้วยสัมมาชิวะเอาพระต้ากว่าเกิดอยากได้ในทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นก็ต้องผิดศีลข้อที่สองคืออธินาทานแต่แม้ความเตยทยานอยากได้และประทานเนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำนองนั้นแม้ว่ายังอยากได้อยู่ก็อาจจะซื้อหาเนื้อตามปกติอยู่คือไม่ถึงกับไปคาดนะ มาบริโภคเพราะจะผิดศีลไม่ต้ น, นในข้ออื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นและอย่างศีลที่เป็นองค์โมโหสดแต่ศีลข้อที่หกที่เจ็ดได้ที่แปดทั้งรวมกับข้อเก้านั้นข้อที่แปดมีอยู่สองข้อเอามาปนกันที่จริงศีลแปดมีอยู่เก้าข้อเวลาจัดเป็นศีลสิบไอข้อที่แปดมันก็แยกออก จะเห็นได้ว่าศีลทั้งสีข้อนั้นไม่มีอะไรต้องการจะบรรเทาตัณหาเท่ า, น, าทนั้นเองบรรเทาตัณหาที่เกิดขึ้นในอารมณ์เช่นว่าอยากรับประทานอาหารอยากหาความเพลิดเพลินความสวยงามการประดับตกแต่งร่างกายแล้วก็เพื่อจะช่วยควบคุมศีลข้อที่สามซึ่งบุคคลจะต้องปฏิบัติแบบประพฤติพรหมจรรย์ ข้อบัญญัติทั้งมวลของพระพุทธเจ้าจึงมุ่งที่จะบรรเทาตัณหาเพราะอะไรเพราะจุดมุ่งหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาคือการทำลายตัวสมุทยัยเหตุเกิดแทงทุกขซึ่งปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆแต่ในชั้นของสมุทัยนั้นก็เรียกว่าตัณหาซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วบังคับจิตให มุ่งมา่ปรารถนาความมีความเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยไปแล้วก็ต่อเรื่องเรื่อยไปจิตจะกำนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นและจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นในจุดต่างๆซึ่งถ้าจิตอยู่ในลนนักษณะนี้ก็จะสูญเสียความสงบธรรมะไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาสู่จิตได้ก็ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงทั้งหมด จึงมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่บรรเทาตันหาและให้รู้แจ้งความจริงแข่งโลกทั้งสามลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งสามลักษณะนั้นเพื่อจะปล่อยวางความยึดติดด้วยอำนาจของตันหาว่าเป็นของเราด้วยอำนาจของมานะว่าเป็นเราด้วยอำนาจของทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราในสภาวะของศาตร์โลกข้อที่สี่นั้น เมื่อมีการบรรเทามีการสํารวมระวังมีการบรนเทามีการละมีการดับตานหาได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกด้วยประการทั้งปวงเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งมาแล้วแม้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามในปัจจุบันก็ชื่อว่าได้สัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าในข้อว่าโลกวิโตคือผู้รู้แจ้งโลกด้วยใจของตนซึ่งความรู้แจ้งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้น ตามสมควรแก่ปัญญาความรู้และการประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นั น, นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป